ธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงนี้มากแป่หมื่นสี่พันธรรมขันต์ก็ย่นลงมาสู่กายวาจาใจเท่านั้นไม่มีที่อื่นม 8, รกแปดโสดงเจ็ดที่บาทสี่อินทรีห้าพระละห้าตลอดถึงสิปัจฐานสมบประฐานคือทางปฏิบัติไปสู่ ความสงบสุขไปสู่พระนิพพานทำเหล่านี้เป็นชื่อออกไปจากกายว่าจาจิตของพวกเราพ็มกแสบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปโตก็คือความเห็นชอบกำลิชชอบก็ได้แก่จิตของตัวที่ไปเห็นสิ่งนั้นชัดเจนเป็นจริงในวิปปิลิตความคิด ที่ชอบก็คือคิดไปในทางที่ถูกที่ควรสัมมาวาจาสัมมากรรมันตัวสัมมาอาชีวก็ไดจแกเรื่องของศีลพูดชอบทาชอบเลี้ยงชีวิตชอบก็เข้ามาในตัวของเราอีกสัมมาสติสัมมาวายโมสมาสติสมัาามสมา ส, สมาธิเพียนชอบ ตั้งสติชอบตั้งใจชอบมันก็อยู่ในตัวอีกไม่มีอยู่ที่อื่นนี่ผูดถึงมรักแปดมันมีมีอยู่ในบุคคลย่นลงก็ได้แต่ศีลสมาธิปัญญาศีลสรรมาธิปัญญาก็เป็นใจตำรับตำราที่จะประพฤติปฏิบัตินอกจากพวกเราท่านเท่านั้นจะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกันนี่คือทางมรักแปดผดตรงเจ็ดก เหมือนกันไม่มีในที่อื่นเป็นสติสัมผัสทรงสติมีอยู่ที่ไหนความระลึกรู้อยู่ตามกระดาษดินสออยู่ตามตู้ตามคำพิมพ์หรืออยู่ในกายในจิตของเรามันอยู่ในตัวของเราทางนั้นสติก็ดี สมาธิปัญญากว่าดีในปวดตรงเจ็ดกดสติธรรมวิจยะวิติปสัสสติสมาธิอุเบกขาที่กันกล่าวเอาไว้ธรรมวิจยะก็คือการไตรตรองวิจารณเรื่องของธรรมคนที่วินิจฉัยวิจารณ์เรื่องของธรรมคนนั้นจิตใจจะห่างไกลจากอากุศล คือความคิดผิดปรุงผิดมันก็เข้าในเรื่องของมากอีกเหมือนกันจ่ทันแยกออกไปความจานเรื่องของทำคิดเรื่องของทำ ม, มันก็เรื่องนริชอบในองค์ของสมาธิสมาสังกโปโหนีม่มีอยู่ที่อื่น ปัสจิหรือสติปัจจิก็คือความสงบละ ง, งับเรื่องของกายของจิตอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการทำสมาธิภาวนาแต่กายจะสงบได้ก็เพราะอาศัยศีลที่เรารักษาวจาใจจะสงบได้ ก็อเพราะอาศัยเรานิ่งไม่พูดมันกว่าสงบแต่สงบโดยการนิ่งการไม่พูดสงบโดยการอดอยู่ในใ่วาจาสงบที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนวาจาสงบหมายถึงวาจาที่พูดออกไปไม่เป็นภัยอันตราย แก่ตนและคนอื่นตัดอื่นพูดขึ้นมีผลมีประโยชน์แก่ผู้กดับรับฟัง <c oughs> คือแนะนำสิ่งที่ควรละควรบำเพ็ญให้ปวกนั้นรู้เห็นในจิตในใจเมื่อใส่ตองพี่จะได้นาเด้วจะได้ละจะได้บำเพ็ญต่อไปนี่เป็นวายจาที่สงบคือไม่สอนให้บุคคล พูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเลี้ยวไหลายประโยชน์สอนในคนพูดในสิ่งที่ดีจริงเห็นคิดเห็นภัยในสิ่งที่ผิดที่ชั่วคนที่พูดอย่างนั้นถึงพูดมากขนาดไหนก็ไม่มีเรื่องที่จะเสียหายอะไรอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดท่านพูดพูดมาก แปดหมื่ีพันพระธรรมขันไม่ใช่น้อยเราเรียนกันกนกระทั่งวันตายก็จำไม่ได้แต่วาจาของท่านเป็นวาจาที่เกิดประโยชน์เป็นวาจาที่ทำกายทำจิตของคนของสัตว์ให้สงบถ้าเชื่อฟังนำไปพิมพิจนะัยนาปฏิบัติรักษาจะเกิดสาระประโยชน์ในบุคคลนั้นนั้นขึ้นมีรื่องปัสสก์ภิสามสงบ ของกายของวาจาของใจอาศัยพวกเราท่านนักปฏิบัติจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เป็นในตัวของตัวความสงบของกายของวาจาเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายคนที่ไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติทําอะไรแต่เขาก่อทาความสงบกายสงบวาจาของเขาได้แต่การสงบใจปฏตทิ ของพระพุทธเจ้าที่กล่าวเอาไว้ในบทส่งคือการสงบใจละงับใจใจโดยส่วนใหญ่มักปรุงแต่งนึกคิดจิดข้องในอารมณ์สัญญาไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดถึงกายไม่ทาวาจาไม่พูดใจใจมันก็คิดกบปรุงไปในทางต่างๆจนไม่มีขอบเขตฝังฝามันเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่องของใจ พวกเราท่านที่ไหมเคยฝึกปฏิบัติปัสสธิความสงบระ ง, งับของใจนั้นจะต้องอาศัยบุคคลมาฝึกฝนกำหนดทินิพพิจรารณาสำระอารมณ์ต่างๆที่เป็นข้าศึกของใจที่ใจคิดใจปรุงนั้นนั้นหักห้ามเอาไว้คิดเห็นโทษเห็นภัยในการคิดการปรุงของตัว คิดไปเท่าไรก็ไม่เกิดความสงบระงับให้คิดไปเท่าไรก็ไม่เกิดสติปัญญาวิชาวิมุตส์ฝืนคิดต่อไปปล่อยจิตให้ปรุงให้คิดเรื่อยๆไปก็จะไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบระงับได้เราผูกใจมั่นอย่างนั้นเห็นว่าจิตที่คิดที่ปรุงนี้ไม่มีสาระอะไร เราจะมากำหนดบทธรรมบรีกรรมภาวานาจะเป็นพุทโทรธรมโมสั้งโครหรือกำหนดลมหายใจเขาออกก่อตาสิ่งใดที่สัมผัสกับจิตกับใจของเราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะยังจิตของตัวให้รวมรวมได้รีบกำหนดรีบรักษาต่างหน้าต่างตาเอาสติจดจ่อ ในคำบริกรรมของตัวไม่เห็นเอเมื่อทำอยู่อย่างนั้นไม่ปล่อยโอกาสเวลาและไม่ปล่อยให้สัญญาอารมณ์มาลบกวนจิตใจจะลงรวมถึงความสงบเป็นปัสจัที่ระ ง, งับดับความคิดความปุงของตัวได้จิตเย็นจิตสบายผู้เห็นผู้เป็นในตัวจะทราบได้ปัสจั คือความสงบระงับพ้องใจเป็นอย่างไรเพราะการฝึกการปฏิบัตินั้นจะต้องเห็นจะต้องเป็นในตัวเองทำเป็นสันทิปทิโกคือทุกคนที่ปฏิบัติไปใจหยาบใจละเอียดใจสงบใจฝุ่งฟุงถ้ามีสติอยู่ในตัวตวจตาที่เจรณาย่อมทราบเราดีเราชั่วอย่างไรทราบจาก จิตจากใจของตัวเมื่อมันสงบระงับดับไปทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> รวมลงเป็นหนึ่งเป็นเ อ, เนเอกับคต า, ทาก็ทราบว่าจิตนี้ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆสงบเต็มที่ความอิ่นใจความเรียกว่าปีตินั้นเมื่อจิตถอดถอนออกมาจะทราบมันปีติซึมใจเพราะแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นเคยเป็นอย่างนี้เพราะจิต สงบเย็นถึงที่ถอดถอนขึ้นมามองดูอะไรก่อเย็นตาเย็นใจไปหมดไม่โกรธไม่ลำคาญสิ่งต่างๆเพราะจิตของตัวสงบจิตของตัวเย็นโลกก็เลยเย็นไปหมดถ้าจิตของตัวร้อนจิตของตัวแช่ใส่ดูอะไรก่เป็นไปอย่างนั้นในค่อยจะมีความมั่นคงในค่อยจะมีความเยือกเย็น ตาเห็นก็เป็นเวียนเป็นไพยหูได้เย็นก็เหมือนกันไม่มีอะไรเย็นตาเย็นใจเย็นหูให้นี่คือใจไม่สงบใจไม่เย็นใจไม่เป็นธรรมถ้าใจเป็นธรรมฝึกหัดปฏิบัติไในเห็นในเป็นในตัวแล้วมันสุขมันสบายมันปล่อยมันวางรู้เท่าเข้าถึงความเป็นจริงถึงอยู่ในโลกก็ไม่ติดกับโลกอยู่ในโลก ทันกวสะอาดผ่องใสไม่มีอะไรจะยุ่งเกี่ยวของจิตคิดแวะเหมือนพวกเราดันั้นการปฏิบัติจิตการภาวนาละกิเลสจึงเป็นหน้าที่ของบุคคลทุกคนจะทาผู้ที่มุ่งหวังความสุขความสบายความเยือกเย็นในจิตในใจของตนจะต้องประพฤติปฏิบัติเรื่องของโลกถ้าหากเราไม่ประพฤติปฏิบัติ อาจทำไม่พิจารณาตามเรื่องของทำตามจริงแล้วไม่มีวันที่จะทำจิตทำใจของตัวให้อิ่มพอนี่แต่ความวุ่นวายขัดข้องนี่แต่ความเือความทะเยอทะยานอยากเลื่อยไปในว่าจิตของเด็กหนุ่มสาวหรือผู้เฒ่าผู้แก่มันเป็นอยู่อย่างนั้นให้ทุกเกิดความคิดความปรุงของตัว หรือความจิตขล้องหรือความอยากข้องตัวถ้าจิตมีสมาธิจิตหนักแน่นในอัจในทำไม่เป็นอย่างนั้นจิตของท่านที่รู้อัจเข็นทาเย็นสบายสงบปล่อยวางจริงต่างๆพะรู้เท่าจริงนั่นนั้นตามความเป็นจริงข้องมันจิตที่จะเกิดปัญญาสามารถละถอนเรื่องกเกลียดตัญหาได้ ก่ออาศัยการฝึกการปฏิบัติทางสมาธิมีความหนักแน่นมั่นคงในอัตในคำไม่วอกแวก้สายแสตามเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆพิจารณาอะไรก็เพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงข้องมันเหมือนกันกับน้ำทิ้นนิ่งในเกลืเพื่อมไม่ไม่เดือด เราจะมองดูอะไรอยู่ในนั้นก็พอมองเห็นชัดเจนจะดูเงาหน้ามันมีใยมีเสียวอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรก็มองได้ถ้าน้ําไม่นิ่งน้ําขุ่นน้ากระเสื่อมมันไม่สามารถที่จะมองได้ขนาดชัดเจนมีความเห็นความเป็นความรู้ปัญญาของโลกที่ขาดสมาธิ มันก็เป็นอย่างนี้จึงหลงไหลใฝ่ฝันเลื่อยไฟไม่มีวันเวลาที่จะสงบรู้เท่าเข้าถึงความเป็นจริงในอดในธรรมได้รู้อยู่ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้แต่จิตก็ยังคิดยังปรุงยังลุ่มยังหลงรู้แบบนั้นทางพระทางศาสนาเรียกว่าอวิชชาคือรู้ผิดมิจฉาชิติความเห็นผิด รู้อยู่แต่มันรู้ไปในทางผิดเห็นอยู่แต่มันเห็นไปในทางผิดเพราะจิตยังยึดยังถือยังผูกยังผันส่วนรู้ที่เป็นวิชาเป็นปัญญาละถอนจิตเล็ดนั้นรู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงของมนไม่จิตข้องในสิ่งนั้นนั้นละถอนขาดจากจิตจากใจของตนคนทั่วไปเขาลุ่มหลงเหือเห่อเฮิม เป็นทุกข์แต่ท่านผู้รู้ในอาจในทำตามเป็นจริงท่านไม่มีอะไรที่จะไปหลุ่มหลงเกิดทุกข์เกิดโทษในจิตในใจทำไมจิตจึงเดือดร้อนทำไมจิตจึงวุ่นวายทำไมจิตจึงแสซาจทำไมจิตจึงลงไหลท่านไม่มีอะไรที่จะสงสัยในจิตของท่านเพราะท่านเห็นท่านเป็นท่านต่าใจชัดเจนในสิ่งต่าง ด้วยการทำสมาธิภาวนาฝึกหัดปฏิบัติตามอาจรรที่ิพระพุทธเจ้าสอนเห็นอา น, นิสงส์ในตนของตนไม่ได้หลงไหลไฝ่ฝันเหมือนก่อนนี่คืออา น, นิสงส์เกิดจากการกระทำการประพฤติปฏิบัติการประพฤติรปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่าน ตั้งหน้าตั้งตามาฝึกมาปฏิบัติจะทํากันจริงจังอย่าไปอ่างการอ่างเวลาอย่าไปคิดว่าเรายังไม่ได้ที่เหมาะสมเรายังมีอํานาจวาสนาไม่เพียงพออย่าไปคิดว่าขอให้ตั้งหน้าทําจริงจังถ้าทาจริงจะเห็นผลของจริงเกิดขึ้น ไม่เหลือวิสัยในการกระทํำของตนและไม่มีคนใดที่จะมาทําให้ถ้าเราไม่ทําวันนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้ก็เราคนเก่าที่จะมาแก้ไขเรื่องจิตใจของเราไม่ใช่คนอื่นจะมาแก้ไขให้ถ้าเราแก้ไขตั้งใจทําจริงจังให้มันหายสงสัยไม่มีอะไรของจิตคิดแวะในพบชาต เห็นปะจกักบ่าจิตของเราไม่มีอะไรที่จะก่อพบก่อชาติใหม่อีกเพราะความหมดจดบริสุทธิ์เมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นความสงสัยอะไรมันก็หมดไปพบใหม่ชาติใหม่ข้างหน้ามันก็ดับพอเราดับในจิตในใจของเราไม่มีพบใดชาติใดที่จะของจิตคิดแวะถ้าไม่ทำอย่างนั้น ชาต์นีชนน้ชาติหน้าก็เราคนเก่าจะทําชาติหน้าก็เราคนเก่าเลี้ยวไหลไม่เอาจริงเอาจังให้ก็มีพร้อมชาติเลื่อยไปการเกิดตายเลยเป็นกงจักรไม่ทราบว่ากเกิดก่อนตายหรือตายก่อนเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายถ้าไม่ตายมันก็ไม่เกิดมันเลยหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นคามเกิดความตายเป็นเรื่องของตายเรื่องของจิต ไม่เคยเกิดเคยตายมันมีอยู่แต่มันไปอาศัยในร่างใหม่ก็อาศัยที่ไหนก็เรียกว่าพบว่าชาิเลื่อยไปนี่คือใจที่ยังไม่หายสงสัยใจที่ยังสำลระไม่ขาดถ้าปฏิบัติถึงขั้นหายสงสัยแล้วอะไรจะมาก่อ ไม่สงสัยอะไรจะมาก่อภบก่อชาติอีกมันทราบมันเข้าใจในตัวของตัวไม่สงสัยว่านิพพานอยู่ที่ไหนอยากจะไปพระนิพพานไม่มีเหตุใดจึงไม่มีเพราะความอยากมันชิดตันหาอยากจะไปก็คือยังไม่ถึงอยากจะเห็นก็ยังไม่รู้ถ้ามันถึงแล้วเห็นแล้วมันจะไปทำไมมันไม่ไป มันไม่ยากความหมดจดบริสุทธิ์ของจิตผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นเองเป็นเองในตัวของตัวในใจคนอื่นจะมารู้มาเข้าใจแต่นั้นพวกเรายังไม่ถึงจิตขั้นอย่างนั้นจงพากันระวังรักษาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติกำหนดพินิษฐิจาจะบริกรรมอะไรจะกาหนดอะไรกาหนด เพื่วความเอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติจริงจังเพื่อความสงบของจิตเมื่อสงบถอดถอนมาแล้วจะพิจารณาเสื่อละถอนราคาตัณหานั้นพิจารณาเรื่องของกายเพราะกายนี้เป็นที่มั่นหมายของจิตจิตมักลุ่มหลงเรื่องของกายว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าสวยว่างามต่างๆ เมื่อจิตมีพื้นฐานของสมาธิมีอัตมีธรรมหนักแน่นพิจารณาดูตามเป็นจริงของมันเรื่องธาตุขันที่ไหนเป็นศาสตร์เป็นบุคคลมีแต่สมมุติทั้งนั้นผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเนื้อกระดูกก็ดีทิ่งเหล่านี้สมมตุติก้อนอันนี้เขามาเลว่าจะว่าเยสาหรือว่าผมเขาก็มาเลยว่า ถามเขาเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่สอบแต่เราก็หลงสมมุติไม่ถอยใจเรื่องสมมุติจิตจึงไม่เกิดดีมุดให้จึงต้องพิจารณาสมมุติให้จิตเชื่อจิตยอมจำนนจิตเห็นจิตรู้เรื่องเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความกัหนักยินดีกับใคราธาตุที่เราหลุลมหลงหรือขันที่เราหลุลมหลงอยู่นี้ มันเป็นของจริงของมันอยู่ตามธรรมชาติแต่จิตมาพึ่งพาอาศัยจิตหลงไหลจิตไม่รู้เห็นตามเป็นจริงจึงเกิดความยึดถือว่าสัตว์ว่ า, บ, าบุคคลว่าตนว่าตัวถ้าจิตเห็นตามเป็นจริงมันจะละจะถอนออกไม่ติดไม่ขอ้อ ง, งทั้าทัสิยังอยู่เป็นมนุษย์อยู่เป็นคนอยู่แต่ก่อ ไม่หลงไหลในการยึดถือเรื่องเหล่านี้ศาสตรดีเรื่องสมมติข้สมมติอย่างไรเขาพูดกันไปตามสมมติของเขาไม่อย่างนั้นเพราจะว่าบ้าแต่จิตที่เหนือวิมุตตนั่นเป็นอย่างไรผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นในตัวของท่านในใจคนอื่นจะมารับรองให้ท่านเห็นท่านเป็นในจิตในใจของท่านที่ประพฤติปฏิบัติรู้เห็น เรื่องคนที่จะลุ่มหลงเกิดกำหนัดยินดีก็เพราะจิตไปมั่นหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามว่าห ล, ล่ออย่างนั้นหล่ออย่างนี้จิตจึงไปหลงกำหนัดยินดีทางศาสนาผู้ที่มีสติมีปัญญามีสมาธิความหนักแน่นในจิต ใ, ในใจจะต้องอาศัยการแยกแยะอาศัยการพิจรารณาจำแนกแกกดู ให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่จิตหลงไหลจิตจิตคล้องอะไรมันสวยมันงามมันหล่อมันเหลามันม น, น่าจูบหน้ากอดมันหอมหวนมีไหมในร่างของหญิงของชาย น, นั้นไม่มีอะไรถ้าจะพี่นาตามเป็นจริงของมันผมกวดีขนกวดีถ้าถอดถอนหรือโกนออกไปท่ยงใส ถ้วยจานอาหารหรือน้ำดื่มเป็นอย่างไรพอใจเลืม่มใสยินดีไหมไม่เหมือนผักเหมือนหญ้าของเหล่านั้นเรายังรับทานได้ฉันได้ไม่เบื่อหน่ายแตผมคนเป็นกรรมๆอยู่ในถ้วยในจานอาหารไม่มีใครเพราะจะรับทานกันนอกจากบ้านี่เราเป็นบ้าหรือจึงไปหลงผมว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ขน ก็ทำนองเยวกันถอนออกมาจากลมผ่าไม่ทิ้งใลในภาษนะอาหารเกิดข่ากันยิงกันเพราะเหตุใดเพราะถือว่าสกรประกเล็บฟันก็เหมือนกันถ้าถอนออกไปทิ้งเอาไว้ใส่ในภาษนะอาหารในน้ำดื่มจะเป็นอย่างไรมันเป็นของศกกระกของปฏิกูลของเหล่านี้ ถาเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อวัวเนื้อควายแล้วเรายังสามารถฉันได้ทานได้เนื้อคนหนังคนเย็นคนกระดูกคนเล็บคนหถ้าไปเห็นในถ้วยในจานและเบื่อหน่ายกันกําลังฉันกําลังทานอร่อยอร่อยอยู่พอไปเห็นทอดเท่านั้นเบื่อแล้วอิ่มแล้วไม่ยอมทานต่อไปเพราะถือว่า เป็นของสกรปรกของโสมอมของไม่ควรเลือดที่อยู่ตามเหนือตามตัวตามหนา้าตามตาหวานหน้ามันแดงอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลือดหยดย่อยลงไปใส่ในน้าดื่มเป็นอย่างไรหยดย่อยสเสื้อผ้าเป็นอย่างไรมันสกรปรกหรือไม่กลิ่นของมันเป็นอย่างไรสีของมันเป็นอย่างไรทุกคนทราบแต่ทาไมไปหลงไหลไปยินดี ว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้นี่เป็นหน้าที่ของทุกคนจะพิจารณาสอนตนเพื่อให้จิตยอมจำนนตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นมันปฏิกูลอย่างไรไม่ใช่ของสวยสดงดงามการพิจารณาแล้วแต่สติแล้วแต่ปัญญาของใครถนาดชัดในเรื่องอันใดที่ไหนที่เจรณาให้เห็นเป็นทางปฏิกูลจิตมันก็เบือ่อหน่าย แา่พิจารณาไปในทางสวยทางงามจิตมันก็เกิดกำหนัดมันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องจิตของคนมันจึงแก้ไขได้เรามีธรรมะเราเป็นหนุกสิทธ์ของพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าเราต้องกำหนดที่นี้พิจารณาเดินตามธรรมะของท่านจิตใจของเรามันจะดือ้อขนาดไหนจะหยากขนาดไหนถ้าเราสอนมันบ่อยๆพิจารณามันบ่อยๆ มันก็่อยจะมีความรู้ความฉลาดขึ้นดูเห็นตามเป็นจริงได้เพืจะละถอนความกำหนัดยินดีของใจถ้าพิจารณาเรื่องอันนี้จังแล้วมันก็เห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาอันนี้จังทั้งนั้นจริงได้เกิดไม่มีอะไรที่จะคงเจ็นคงวา่านอกจากความไม่เที่ยงแถวนั้นมันคงเจ็นคงว่าของมันความเที่ยงอะไรมันมีอยู่เรานั่งกันอยู่เดี๋ยวนี้มันก่อันนี้จัง แปรปวนเปลี่ยนแปลงเยอะเก็บนั้นปวดนี้เยอะคิดนู้นคิดนี้ทุกอย่างมันเป็นไปเรื่องอันนี้จังของกายของใจมันไม่ใช่ว่ามันจะคงเส้นคงวาอยู่ได้แล้วต่อไปพวกเราที่นั่งอยู่นี้ก็จะไม่มีอะไรเหลือหลอที่เราสมมติว่าคนว่าพระว่านีน่มันจะต้อง แตกถลายลงไปสู่ธาตุเดิมของมันคือเด่นดินน้ําลมไฟตามเรื่องของมันถ้ามันลงถึงนั้นหญิงอยู่ที่ไหนชาอยอยู่ที่ไหนเขาหมายกำหนดเขาหมาสมมติกันเราเหยียบย่ําไปอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่ซากศบซากอสุภะถึงคนศาสตร์บรรจายมานับไม่ั่วนแต่เราไม่ได้เห็นกับหูกับตาเลยไปถือว่าเป็นดินเสียความจริงก็ดิน อันนั้นแหละมาเป็นคนอยู่นี้คนอันนี้แหละจะกลายเป็นดินไปอย่างนั้นให้พากันพิจารณาชาระใจฟองตัวให้เห็นให้เข้าใจชัดเจนความกําหนัดยินดีมันจะหายไปความสงสัยว่าสัตว์ว่าบุคคลมันจะตกออกนี่คือการพิรจิตรพิจารณาชำระใจเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อเราชาระได้ความบริสุทธิ์ฟองใส ไม่ต้องไปหาที่ไหนความสกปรกอยู่ที่ไหนเหมือ่อําระความสกปรกออกไปความสะอาดมันก็เกิดขึ้นความมืดมีอยู่ที่ไหนเมื่อเราตามไฟรือนำแสงสว่างเข้ามาความมืดมันก็หายไปดับไฟความมืดก็เกิดขึ้นมันเป็นอยู่อย่างนี้โลกมันขู่กันมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีเกิดมีตายมีบุญมีบา มีรูปมีหลงมีโลกขู่กันขู่นี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่เรายังไม่เกิดหรือเราเกิดมาแล้วหรือเราตายไปแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่สมมุติของโลกผู้ที่มารู้สิ่งเหล่านี้คืออะไรเมื่อเราปฏิบัติจิตใจเข้าถึงเราจะทราบเรื่องสมมติทราบเรื่องลิมุตแล้วก็หายสงสัยไม่มีอะไรที่จะสงสัยต่อไปเพราะใจบริสุทธิ์ ไม่มีทางที่จะละจะบําเพ็ญอีกนี่คือขีดขั้นขี่ตายตัวขีดพระพุทธเจ้าทรงแนสอนให้พวกเราท่านประพฤติธปฏิบัติถ้าไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นจะสงสัยอยู่เรื่อยไปทุกข์อยู่เรื่อยไปทุกข์พอใจของตัวหลงพยายามจะ ท, ำำทําบําเพ็ญให้เห็นให้เป็นในตัวของตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงจะมีมากแสนหมื่น สี่พันพธรรมขันธ์พอรู้ตามเป็นจริงเท่านั้นอันนั้นเป็นอาการของมันเกิดจากกายจากจิตเท่านั้นไม่มีอะไรมากมายเหมือนกันกันกบต้นไม้ถ้าจะไปนับใบอ่อนใบแก่ใบเล็กใบใหญ่จริงนั่นจริงนี้นับอยู่ตลอดวันอธิบายตลอดวันก็ไม่หมดแต่ถ้าพอทราบาต้นไม้ ต้นนั้นคนจีเคยเห็นมาก่อนเคยทราบมาก่อนเพียงทราบต้นเดียวเท่านั้นต้นอื่นมันจะมีจีพันจีหมื่นมันก็ไม่สงสัยมันเหมือนกันหมดนี่เรื่องของจิตของใจก็ทํานองเดียวกันขอให้เขาถึงความเป็นจริงของมันเท่นานั้นแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไป เ, เรียนเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเป็นอาการของกายของจิตจีตันไปเขียนเอาไว้ ไปแนสอนคนมันเกิดขึ้นจากนี้เพราะชั่วดีมันมีอยู่นี้โลกโกลงมันมีอยู่นี้มรรคผลนิพพานมันมีอยู่นี้ศีลสมาธิปัญญามันมีอยู่นี้มันไม่มีอยู่ที่อื่นเราจงลงมือประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เป็นให้รู้เพราะธรรมะเป็นอาการลิโกไม่มีการณีสมัยใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติคนนั้นจะได้จะเห็นจะเย็นจะสงบ ใช่ไหมต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติจะอยู่ในวัดในว่าแบกบตำลาำทำชีท่วมหัวก็ไม่มีทางที่จะละกิเลสได้ความหลุ่มหลงของใจก็ไม่มีอะไรที่จะตกหายไปแต่นั้นเมื่อทุกท่านได้ทราบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมากถึงแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์สรุปก็คืออยู่ในตายในใจของพวกเราท่านแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติรักษา กายวาจาใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียที่พระพุทธเจ้าห้ามก็อย่าไปฝ่าฝืนอุตส่าห์ชำละกายวาจาให้สะอาดด้วยศีลฝึกอบรมจิตให้สั่งมั่นสงบสงัดลงรวมได้ด้วยสมาธิที่เจนานาขาดขันหรือสังขารทั่วไปให้เห็นชัด ด้วยปัญญาจิตใจที่มีธรรมะอย่างนั้นถึงใหญ่อยู่ในสถานที่ใด พ, พระพุทธเจ้าปฏินิทานไปหรือยังอยู่ความรู้ความเห็นที่เป็นอันเดียวกันนั้นแต่เหมือนกันตลอดมาไม่มีอะไรที่จะผิดแตกแตกต่างกันจิตใจที่พ้นไปจากกิเลสตัณหาเป็นอย่างไรจะทราบได้นี่คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นสัญหาขด คือเห็นความบริสุทธิ์ของจิตของใจไม่มีทางสงสัยในตัวของตัวและพระพุทธเจ้าสาวกจิตบรินิพานไปความบริสุทธิ์ของท่านเป็นอย่างไรของเราที่ไปจากในใจเป็นอย่างไรมันเหมือนกันหมดไม่ล่ะอาดีตอนาคตปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงต่างหน้าต่างตากำหนดรักษาตระพฤตปฏิบัต จิตใจที่เคยสายแสบไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆถ้าหากเรามีสติหักห้ามมีปัญญาแนสอนใจิตใจของเราจะค่อยตล่อมเข้ามาภายในจะอยู่ในวงของอัดของธรรมจะสงบเย็นให้เมื่อจิตสงบเย็นเห็นรู้สิงสิพระพุทธเจ้าสอนเราทุกคนก็จะเชื่อจะเลื่อมใสเต็มใจต่างหน้าต่างตาภาวานา ประพฤติปฏิบัติรักษาตัวของตัวคือรักษาศาสนาสืบต่อไปศาสนาที่เขาว่ามันเสื่อมมันเสียไปเราจะไม่สงสัยเพราะเราเห็นเราเป็นในจิตในใจของตัวนี่คือทางประพฤติปฏิบัติทุกคนมีสิทธทิจะจะทําบําเ็นได้แต่นั้นขอพวกท่านทุกคนจงนําไป ที่นิตที่จะ่าศึกษาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติก็จะนั่นไปความสุขความเจริญทางอัตทางธรรมก็จะเกิดขึ้นแต่นักปฏิบัติการอาธิบายธรรมเห็นว่าพอสมควรกับเวลาพอยุติเพียงแค่นี้เจวัง